ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายในการบรรยายเรื่องพระธรรมบทในตอนต่อไปนั้นก็เป็นตอนที่สองซึ่งบรรก่อนนั้นได้จบลงด้วยเรื่องของท่านโคโสกเศรษฐีหรือโคสกะเศรษฐีต่อไปนี้ก็คือเรื่องของนางเอกในเรื่องจริงๆคือเจ้าของเรื่องจริงๆคือเรื่องพระนางสามมาวดี ในคราวหนึ่งได้เกิดทุพิกภัยหรือเกิดโรคระบาดขึ้นในเมืองพัทธวัีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในบ้านเศรษฐีท่านหนึ่งก็เริ่มตายมาจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนมาถึงการถาดปริวาณภายในบ้านเศรษฐีพัญญากธิดาเห็นว่าก็คงจะอยู่ไม่ได้แน่ ในสมัยโบราณนั้นมันก็มีธรรมเนียมที่ออกจะแปลกพอเกิดโรคระบาดก็จะพังฝาเรือนแล้วก็หนีออกทางด้านฝาเรือนสามคนพ่อแม่ลูกตอนนัอหนีออกมาจากเมืองพัทธมดีโดยหวังจะมาพึ่งท่านโคสกะเศษธีซึ่งเป็นก็ เ, เรียกว่าอาทิษฐะุพพ์สหาย คือสหายที่ไม่เคยได้พบเห็นกันมาก่อนเป็น ร, รมเนียมในสมัยก่อนว่าพวกกษัตริย์ก็จะเทียบเคียงอายุเทียบเคียง อ, อ, อนณาเขตเทียบเคียงราชรัพย์ว่าถ้าเสมอกันแล้วก็ส่งสารติดต่อเปิดสัมพันธ์ดมิตรีเป็นมิตรกันโดยทั้งสองฝ่ายก็ไม่เคยเห็นกัน ซึ่งต่อมาไทยเรารับธรรมเนียมนี้มาที่เรียกว่าเป็นเกรอเราก็รับมาจากอินเดียท่านพัะธรมดีเศรษฐีกับท่าน โ, โคสกะเศรษฐีก็เป็นสหายประเภทนี้คือต่างคนต่างไม่เคยเห็นหน้ากันเนื่องจากต้องรอนแรมมาในขนทางนานก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยกันแล้วก็หมดสเสบียงในการเดินทางท่านพัรดีแทนที่จะ เข้าไปขออาหารในโรงทานของท่านโคศกเศรษฐีหรือเข้าไปเยี่ยมเลยก็ไม่กล้าทั้งสองอย่างเรารู้สึกว่าตัวเองก็โ ส, ส, สมมากเลยไปแอบพักอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งส่งคนไปส่งลูกสาวให้ไปขออาหารในโรงทานของท่านโคศกลูกสาวชื่อว่าสา ม, มาเข้าไปขอครั้งแรกก็ขอสามส่วน <c oughs> หรือเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งพ่อส่วนหนึ่งแม่ส่วนหนึ่งเมื่อได้อาหารมาแล้วแม่กับลูกก็เอาอาหารให้พ่อรับประทานตัวเองยอมทนหิวเอาเพราถือว่าถ้าพ่อยังอยู่ชีวิตก็ยังอยู่ครอบครัวก็ไปได้แต่ว่าท่านเศรษฐีท่านรับประทานอาหารแล้วก็ย่อยไม่ทันเลยตายสองคนแม่ลูกก็เศร้าโศกเสียใจกันมากรุ่งกันเชา้านางสามา ก, ก็ไปขออีกแต่ขอสองส่วน รับมาแล้วก็ให้มารดารับประทานมารดาประกอบกับความหิวความเสียใจทุกทรมานต่างๆรับประทานไปแล้วตกกลางคืนก็ตายไปยังเหลือลูกสาวคนเดียวลูกสาวจัด ก, การฝังศพพ่อแม่แล้วก็ไปขอทีนี้ขอส่วนเดียวก็ถูกคนแจกทานเขาก็ ด, าาด่าโดยถั้ยคํารุนแรงว่าเพิ่งรู้จักประมาณท้องตัวเองวันนี้เหรอ วันก่อนขอสามส่วนเมื่อวานขอสองส่วนวันนี้ขอส่วนเดียวนางเป็นกุลธิดาในสกุลใหญ่ถูกใช้คคำหยาบเช่นนั้นก็ไม่สบายก็เลยชี้แจงให้เขาทราบหัวหน้าในการแจกทานก็สงสารเลยก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็อยู่เป็นลูกบุญธรรมอาศัยที่เป็นกุลธิดาที่มีความฉลาด แต่๋ยวถ้เห็นคนที่มารับทานส่งเสียงเ อ, อะอะเอ ก, กทุกดังกันลัน่นอย่างไรก็เลย mm hmm. ก็แนะนําข้อบุนธรรมเนี่ยบอกว่าทาไมไม่จัดการให้คนเข้าออกเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งคือให้คนเข้าคนออกไม่ต้องสวนกันจัดแถวเป็นระเบียบมันก็จะไม่มีเสียงดังเ อ, อ ก, กทึกอย่างนั้นพ่อบุญธรรมก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแกก็เลยไปวางผังให้ จัดการจัดทางเดินให้เสียงมันเงียบฝ่ายท่านโคศกเศรษฐีได้ยินเสียงเงียบเมื่อก่อนพอได้ยินเสียงคนดังท่านก็บอกเออนั่นลงทานของเราก็ได้ปีติสมนันนั่พอเสียงเงียบไปก็เกิดสงสัยไปมันเป็นยังไงกันเรเรียกหัวหน้าการให้ทานมาสอบถามแกก็เล่าจะให้เหมือนเดิมแล้วเมื่อถามว่าทําไมเสียงมันหายไปแกก็บอกว่า เพราะปัญญาของลูกสาวของข้าพเจ้าจัด ก, การเรื่องนี้ให้ท่านโกศกะถามมาเธอมีลูกสาวด้วยหรอเอ๊ะฉันทำไมไม่รู้อ่ะก็เสร็จแล้วพูดไปพูดมาแกก็เล่าฝั่งโคศกเศรษฐีพอรู้ว่าเป็นลูกสาวของเพื่อนก็บอกเออนี่เธอนี้เอาลูกสาวฉันไปเก็บไปแล้วไม่มาบอกกล่าวต้องไปเอามาคืนก็ตกลงก็เอามาท่านโกศกไม่มีลูกนะฮะเพราะว่าเบญกลามที่ทิ้งลูกครั้งนั้นน่ะเอ่อ ก็ตกลงก็รับมาไว้เป็นลูกสาวแต่อาศัยที่แกฉลาดตอนทํารั้วนะฮะว่ตีก็แปลว่ารั้วหรือเขตกั้นก็เลยจะชื่อว่าสามาวดีสามามาวดีเมื่อโตก็ตอนมาก็โตแล้วนะครก็กลายเป็นที่ดาคนเดียวของท่านโคสกะเศรษฐีก็เป็นที่ดาจริงๆอ่ะทีนี้ก็ถือว่าเหมือนกับที่ดาจริงๆเลก็ให้สมบัติทุกอย่างตามฐานะ ิาเศต่อตามธรรมเนียมสมัยโบราณของอินเดียนี่คือผู้หญิงนี่ออกจากบ้านไม่ได้นอกจากวันนักขัตฤกษ์วันพิเศษพิเศษจริงๆออกไปก็ต้องมีคนจิตตามอะไรนี่ไปคนเดียวไม่ได้นี่จะเห็นว่าเรารับรับวัฒนธรรมไทยมาจากอินเดียเมื่อก่อนคุณลัสษณีจะออกจากบ้านต้องมีแม่หรือมีพี่ชายมีเพื่อนไปด้วยถึงจะออกไปได้ แล้วเวลาเดินก็จะเดินกับเป็นแถวปัจจุบันนี้แม่เดินจะเต็มถนนเลยไม่รู้เอามาจากไหนคือมันก็ผิดแผกไปเยอะนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะเดินจะมีแม่นำหรือพี่นำไปไจะถูกควบคุมดูแลสวัสดิภาพอะไรเป็นการต่างๆเราก็รับธรรมเนียมนี้มาวันหนึ่งนางสามาบดีออกไปเดินในวันนักขัตฤกษ์ก็ไอ้คุหัตถเสถียรก็อยู่ใกล้หวัง พระเจ้าเทนทอดพระเนตรเห็นข้าวแตท่านจะทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องเมื่อวันก่อนเนี่ยฮะมันจะมาดึงตัวคนเข้ามาหาในเหตุการณ์ในตอนนี้พระเจ้าเทนทอดพระเนตรเห็นข้าวก็เกิดสนพระทัยสอบถามทราบความว่าเป็นทิดาของโกศกเศรษฐีก็ส่งคนไปสู่ขอโกศกไม่ให้ไม่ให้ก็พระเจ้าเทนท่านก็จะเอาให้ได้ ชายประราชจานาจจับจับโคศกเศรษฐีกับพันยาล่ามไว้พอถ้าไม่ให้ก็ทังจับมัดไว้อย่างเงี้ยนางสามมาวดีกลับมาจากเล่นน้ำในวันนักขะตะัตฤกษ์มาเห็นบิดาถูกล่ามก็สอบถามทราบความเช่นนั้นบอกว่าพ่อไม่ควรจะไปทำก็อย่างเงี้ยมันมีวิธีที่เราจะแก้ไขได้บอกว่าคือจะให้นางสามาวดีก็ได้แต่ต้องเอให้บบริวารไปด้วย ก็ให้ต้องต้องนำบริวารทั้งหมดของนางสามาวดีเข้าไปในวังด้วยแล้วก็ยินดีจะถวายพอตกลงโคศกก็ยอมนางสาวมาวดีก็ได้เป็นมาเหสีของพระเจ้าอุเทนทีนี้มันยังยังมีเรื่องแต่จะเล่าอีกท่านเดียวนะฮะเพราะว่ามาเหศีเยอะพระเจ้าแผ่นดิม ah ir, งงนมีเหสีแยอะเงีก็เอาอีกองค์หนึ่งซึ่งซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปชี้แคว้นกุรุแล้วก็ด้วยเห็นอุปนิสัยบารมีของพราหมณ์น ส, สามีพัญญาว่าจะได้บรรลุอนาคาคท่านชื่อมาคันธิยพราหมณ์ก็เมื่อเสด็จไปถึงนั้นมาคันธิยพราหม์นั้นมีที่ดาอยู่คนหนึ่งสวยงามมากเขาบอกว่าเศรษฐีมาขอก็อแล้วราชามาขอก็อแล้วไม่ให้ใครนั่นแหล ก็อยากจะหาผู้ชายที่สวยสวยง่าเหมาะสมกับลูกสาวของตัวแล้วก็จะให้อยากหาลูกเขย อ, อย่างนั้นไม่เจอก็เลยก็ปล่อยลูกสาวอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งมาคันยาพราหมณ์ไปพบเห็นพระพุทธเจ้าเกิดชอบใจเลยบอกยกลูกสาวให้เลยไม่ต้องขอพระเจ้าไม่รับสั่งอะไรก็ประทับยืนเฉยๆแกก็ไปเรียกไปบอกเมียบอกว่านี่เราพบลูกเขยที่พอใจแล้ว รีบตกแต่งลูกสาวไปก็จะนําไปมอบให้ท่านมาคันธยาพรามณีนะฮะคือคือท่านจะเห็นว่าเขาก็ใช้มาคันธิยะก็เป็นผู้ชายมาคันธิยาก็เป็นผู้หญิงกระท่ง น, นั้นเองก็นำที่ดามาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับยืนที่เดิมแล้วไปเหยียบรอยพระบาทไปแล้วก็หลบไปยืนในที่แห่งนะ มาคันยพราะม์ถึงไม่เห็นมองซ้ายมองขวาไม่เห็นก็เห็นแต่รอยเท้าก็เชีย้ยดูบอกนี่รอยเท้ายืนอยู่ตะ ก, กี้นี่หายไปไหนมามาคันยะไอ้มาคันยพระเนี่ยฮะแล้วผู้หญิงทำไมนั้นฉลาดนะแต่ละคนแต่เราคนในโผล่ขึ้นมาเนี่ยฉลาดฉลา ด, ลาดยังไงคนนี้มาอีกฉลาดอีกแกพอเห็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นบอกว่ากันเลือกคนผิดแล้วคนอย่างนี้ก็ไม่มีกิเลสเนี่ยไม่มีกิเลสแล้วท่านก็อธิบายลักษณะของคนว่า แล้วคนที่มีราคะจัดนะฮะราคะจัดนี่จะเดินกดพื้นไม่ใช่จะเดินกดปลายเท้าคนโทสะจัดมันจะเดินกดพื้นกระแทกพื้นคนโมหะนี่จะจะเหยียบรองเท้าหนักหนักเหยียบเป็นหนักหนักคือคนโมหะมันเฉยเอยซึมซึมอ่ะจะไม่ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเพราะเหยียบทีๆมันก็หนักแต่ รอยเท้าอย่างนี้เสมอมันแสดงถึงมีกิเลสมีหลังคาคือกิเลสที่เปิดแล้วจํานวนบาลีนะฮะหมายความว่าไม่มีกิเลสคุ้มพอจิตใจพวกพรามพรามสามีก็โกรธตะคอกว่ามลกันเธอมันใช้อะไรไม่ได้พูดมากว่าจะเฉยๆก็ในที่สุดก็หาไปหามา ก, ก็เจอพระพุทธเจ้าบอกนี่มหาสมณะนี่ข้าพเจ้าเอาลูกสาวมาถวายแก่ท่านขอให้รับพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งเรื่องนั้นแต่รับสั่งเล่า ว, ว่าพระองค์เป็นใคร มาจากไหนแล้วก็มีวิถีชีวิตมายังไงบำเพ็ญเพียรอยังไงแล้วก็จัดสรุแล้วถูกนางตันหานางราคาราตีมายุ่ยยวนยังไงยังไงเล่าหมดเสร็จ แ, แล้วก็สงสรุปแรงไปหน่อยสรุปตัวนั้นนะเนือท่านบอกว่าแม้แต่นางตันหานางราค า, าราตีซึ่งนิรมิตตัวเป็นผู้หญิงที่สวยงามหลากหลายเป็นร้อยเป็นพันเนี่มายุยยวนแต่าคตแต่าคตก็ไม่ยินดีแล้ว นักภาษาอะไรที่ตาถาคตจะยินดีที่ด่าของท่านเราไม่อาจที่จะถูกต้องว่าแม้ด้วยเท้านะคือมาเหมือนกับไอ้ผาจนะที่ใส่ของไม่สะอาดไม่สามารถถูกต้องได้โดยทานอีตรงนี้นามาคันยาแค้นมากยแต่ว่าสองสามีพัญญานั้นก็มองอีกมุมหนึ่งฮะให้ท่ า, ทานสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธดำ ร, รัสจีบรรทัดจัดแก่คนสามคนคนสองคนนั้นเกิดชาบซึ่งจงใาสูงพิจานาตามบรรลุ อาาคานะฮะตัดการมราคะปฏิฆะได้ทังกล่าวในตอนต้น น, นางมาคันิยาเจ็บใจมากเลยแม้ไม่รับก็ไม่รับมาอุปมาเราเหมือนภาชนะใส่ของไม่สะอาดก็เจ็บใจมากเล ย, เลยอาฆาตพระพุทธเจ้าไว้บอกปะสมานะโคดมดีแหละวันนี้ที่ย่ที่อิดจำนวนปัจจุบัน <c oughs> ก็วันหลังี่เราได้ฐานะดีๆและจะเห็นกันนะอาฆาตพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นต่อมาเมื่อ พวะไอ้ไม่ใช่พ่อกับแม่บวชแกก็ไม่รู้จะอยู่กับเขาก็มอบมาให้อาอาก็นึกว่าไอ้หลานสาวเราเนี่ยมันไม่เหมาะกับคนอื่นนอกจากพระเจ้าอุเทนก็เอาไปถวายพระเจ้าอุเทนเลยก็เป็นมาเหสีองค์ที่สองที่เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะเรื่องมันยาว่ามาต่อมาใ <c oughs> นพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่กรุงโกสัมพี ตอนนั้นนามาคันญาได้เป็นมัยสีแล้วนะฮะพระนางสามาวดีก็เป็นแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จตอนนี้มีเรื่องเยอะแต่ก็ไม่เกี่ยวกันกั บ, กบเรื่องนี้นะฮะคือมีการแสดงก็เรียกว่าพุทธาพินิหารคือมีนายคนหนึ่งชื่อนายสุโมลมาลาการเพอเห็นพระพุทธเกตเตรียมดอกไม้ไปจะไปถวายพระเจ้าแผ่นดินอนะ่ะพอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเกิตื่นเต้นมากเลยแกไปบูชาพระพุทธเจ้ามา คือ ย, ยอมถูกตัดหัวเลยไอ้ทีนี้มันมันรู้จ้าแสดงไอ้เป็นเป็นพวกกฤษดาพินิหารนะคือตามให้พวงมาลัยเนี่ยมันลอยแล้วมันจัดตัวมันเองอยู่บนอยู่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยก็ไม่สูงหรอกเป็นเหนือพระเศียรจัดตัวเองทําเป็นรูปพวงมาลัยสวยงามก็สร้างความตื่นเต้นโการาหลให้เกิดผสมควรทีนี้นายส ม, ม, าาา ม, มุนมาละการก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าวังเอ้เข้าบ้านแล้วไปเลี้ยงดูอังคาดด้วยอาหารอย่างดี ที่นี้นางสามาวดีเนี่ยแกมีคนใช้อยู่คนหนึ่งชื่อนางขุดชุตตราขุดชุตตราเนี่เคยเล่าให้ฟังในเรื่องมหากรรมยพันกระสูตรนะแต่หลังค่อมยังสาวแต่หลังค่อมมีหน้าที่ซื้อดอกไม้มาให้นางสามาวดีคือมีหน้าที่ออกจากวางได้ไปซื้อดอกไม้แล้วแกซื้อแกยกักยอกทุกวันก็อะไรนะนะเลี้ยงช้างกินขี้ช้างสัมนวนไทยวันนั้นเข้าไป ซื้อดอกไม้นายสุมลบอกว่ารอ ก, ก่อนวันนี้พระพุทธเจ้าสเสด็จฟังธรรมกันก่อนแล้วค่อยเอาดอกไม้แกก็ได้ฟังธรรมช่วยเหลือจัดงานเสร็จฟังธรรมได้บรรลุโสดานะฮะบรุโสดาฟังครั้งเดียวนั่นเองได้บรรลุโสดาโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันตอนนี้ระโสดาผิดศีลไม่ได้เลยเมื่อก่อนก็เขาให้มา8ดกหาปณะแกซื้อดอกไม้ได้สกหาปณะเก็บไว้สีกหาปณะ วันนั้นก็ซื้อมาทั้งแปดอ่ะพอแปดมันก็เยอะขึ้นอีกเท่าตัวนางสาว ม, มาวดีสอบถามว่าทําไมไปชา้าและทําไมพระราชาเพิ่มค่าดอกไม้ให้เลยนางก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วขอเข้ามาโทษที่ได้ยกักยอกเงินไม่หลายคงจะหลายปีแล้วมั้งแล้วนางสา ม, มาวดีก็ไม่พูดอะเรื่องนั้นก็ขอให้นางกุชุตยาแสดงธรรมให้ฟัง ก็เรียกบริวารมาให้นางคุชุตราอาบน้ําอาบท่าคือตามธรรมเนียมการแสดงธรรมเลยเขาจะต้องอาบน้ํากุยชำระร่างกายสะอาดซะก่อนอจึงจะมีการแสดงธรรมคือให้ความเคารพเชิดชูธรรมอย่างหลวงพ่อบางองค์ที่ท่านเป็นนักเทศน์เนี่ยถ้าไม่ได้อาบน้ำท่านไม่มีทางเทศอะไม่มีทางเทศให้แต่พอมาถึงสมัยนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคือคือบางทีรถเทศต่อกันไปเป็นแถวไปจะหยุดอาบน้ําก็ไม่ได้เหมือนกันก็แล้วแต่กรณี นางสานางกุชุตราพอเริ่มเทศก็นั่งอาสนะสูงกว่าผู้ฟังแม้แต่นางสามามาวรีเองเทศท่านเป็นคนที่จามได้ยอดเยี่ยมคือเทศตามฤพระเจ้าแสดงนางสามามาวดีกับบริวารได้ฟังแล้วบรรลุโสดาหมดเลยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นยอดที่เคยเล่าตัวอย่างว่าเป็นยอดของบาสิกาที่ทางธรรมกระถึก เนเทศทีเดียวเพื่นบรรลุทั้งห้ารอยเเสร็จแล้วนางสาวมาวดีก็ยกให้นางขุจุตระายู่ในฐานะของแม่แล้วตัวเองก็แม่ตายนะยกไว้ในฐานะแม่เลยแล้วก็ไม่ต้องรับใช้อะไรแล้วมีหน้าที่ไปฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสอนต่อนั้นเองเพราะพราะท่านออกจากวังยังไม่ได้นามาคันธยาพอ ร, รู้ข่าวตัง น, นั้นเอง ร, รู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จก็เปิด แผนแก้แค้นฮะเรียกว่าแก้แค้นอันสุนทรนะก็จ้างคนด่าด่าด้วยคำหยาบคายมากไออูดไอ้ายไอโง่ไอสัตว์นรกนะว่าเจ็บๆนะฮะสิบข้อด้วยกันว่าเป็นสูตรเลยคือถ้าที่สังเกตนะฮะในบาลีเนี่ยมีสูตรด่าอยู่สามสูตรไอสูตรที่แย่ที่สุดเ สูตรสมรัครด่าสมาครไพ่ในสูตรหนึ่งสมัครพูดดีขึ้นหน่อยอีสูตรหนึ่งสมัครนักปราดอีสูตรหนึ่งไอ้นักปราดด่าหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันตีความได้ตีความให้ดีก็ได้ให้เสียก็ได้พระพุทธเจ้าก็เคยถูกดา่าด้วยถ้อยคําทั้งสีง่ทั้งทั้งสามชุดเนี่จนจนพระอานนท์ท่านเดือดร้อนนะถูกด่ากันมากบอกว่าเอ้ยย้ายไปเมืองอื่นนะกราบทูลพระพุทธเจ้าย้ายไปเมืองอื่นเพราะว่าคนด่ามาก พระเจ้าก็รับสั่งถามว่าจะย้ายไปเมืองไหนแนอนนลนก็บอกเมืองไปเรื่อยพระเจ้าถามว่าถ้าเขาด่าเมืองนั้นเมืองนั้นจะทํำยังไงท่านบอกว่าย้ายต่อพระเจ้ารับสั่งมามันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกอน น, อนนล์คนเราเนี่เหมือนกระช้างศึกที่เข้าสู่สงครามมันจําเป็นจะต้องอดคนลูกศรที่ถูกยิงมาจากทิศตั้งศีแล้วคนดีเนี่ยจะต้องไม่หวั่นไหวต่อค่อยคําของไอ้คนทุศีล เพราะคนประเภทนี้เขาต้องการด่าเขาด่าได้ทั้งนั้นเลยแต่เราจะต้องอดทนให้ได้ตอนในที่สุดก็อยู่ อ, อีกเจ็ดวันฮะคือด่าได้เจ็วันเพราะเรื่องไม่ว่าเรื่องเลวร้ายอะไรก็ตามเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าจะไม่เกินเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันเรื่องก็เงียบตอนนี้มันก็เข้าสูตรที่ว่าไอ้ที่ด่ากันได้ น, น, นานๆก็เพราะมีการด่าตอบเท่านั้นเอง ตบมือข้างเดียก็ไม่ดังโบราณท่านว่าฝ่ายพวกนี้ก็ด่าอยู่ฝ่ายเดียรู้ว่าเจ้าก็เสด็จพุทธดําเนินไปเฉยๆพระสงฆ์สาวกก็ไม่มีใครโต้อตอบแกก็เงียบไปเองนี่ก็เป็นการต่อสู้อีกวิธีหนึ่งแต่เป็นคําของคนทุศีล น, นะฮะเป็นคําคนทุศีนที่ไร้าสาระมันก็ด่าเป็นอูดเป็นลาเป็นอะไรต้นนีน้มันก็ไม่ไม่จะจริงสักอย่างหนึง่งเหมือนกับหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านสอนเด็กนะฮะ มาไปนั่งฟังกันด้วยมาเก่งมากหลวงพ่อเนี่ยทุกวันอายุเก้าสิบเกือบร้อยแล้วเก้าสิบป่าท่านแนะบอกว่าถ้าใครดา่าเราว่าหมานี่นะให้ครัมดูข้างหลังถ้าเห็นมีหางกระโดดกัดเลยถ้าเห็นว่าเรามีหางกระโดดกัดเลยถ้าเราไม่มีหางให้แสดงไว้นี่ตาถั่วดูคนเป็นหมาไม่ได้ก็ปล่อยมตาถั่วอยู่คนเดียวเราไม่ต้องโตตอบมันคือเป็นแนวคิดที่คมคมดีอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ แต่วันนี้มันก็เกินกว่าไม่ใช่เหมือนกันคือพระพุทธเจ้าท่านท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ดา่าเพราะงั้นไม่มีการโต้อตอบพวกนี้ก็เลิกไปนามาคันธยาทีนี้มันก็ผ่านดีผ่านขวางลักษณะผ่นนานดีผ่านขวางมันเป็นความโกรธฮนะความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะความโกรธความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะความรักอะไรเนี่ยที่ที่ยังเคยจําแนกให้ฟัง ก, กันก่อน4อย่างนามาคันธยานั้นไปเกิดความโกรธที่เกิดเพราะความโกรธกับนางสาวมาวดีคือแกโกรธพระพุทธเจ้า แต่แกทําอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็นางสามาวดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเลยเล่นงานนางสามาวดีเลยทีนี้เล่นงานนางสามาวดีก็เริ่มหลายแผนด้วยกันแผนแรกนั้นบอกว่าคือพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดําเนินมันก็ใ ก, กล้าวางบินส บ, บาทเนี่ยนางสามาวดีตอนนั้นพระเจ้าอุเทนเองก็ยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นเหตุการณ์ปลายพุทธสมัยนะเอ่อ จึงจึงไม่สามารถจะไปเฝ้าฟังธรรมได้พอพระพุทธเจ้าเสด็จพวกนี้ก็จะขอดูมันก็หาไม่เห็นและในที่สุดก็ขอเจาะช่องดูเป็นดวงตาดูคือคือเจอเาะพอให้ตาเห็นพระพุทธเจ้าพอเห็นแล้วก็ยกมือไหว้กันทั้งนั้นน่ยนางสาวมาวดีก็หาเรื่องไปฟ้องพระเจ้าอุชเชนว่าไม่ใช่นางมาคันธยาก็หาเรื่องไปฟ้องพระเจ้าอุชเชนมานางสามาวดีเนี่ย ครบชูสูชายเนี่ยมีช่องหน้าต่างมองกันอยู่พระเจ้าอเทนเสด็จมาสอบถามนางสามาวดีก็กราบถูนให้ทรงทราบพอพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านก็ต้องการจะทอดพระเนตรแล้วก็ต้องการจะถวายบังคมพระเจ้าเทนบอกเจาะทำไมรูเล็กนิดเดียวเจาะให้เป็นหน้าต่างเลยเพื่อเห็นได้ชัดๆอันนี้ก็แก้ไม่ได้ทำไม่ได้ต่อมาก็เกิดวางแผนใหม่วางแผนร่วมมือกับอาแล้วทีเนี้ดึงญาติวงพงษาเข้ามา พี่นาดด้วยกันวางแผนกับอาให้อาไปหาไก่ไอไก่เป็นมาแปดตัวก็ไก่ตายแปดตัวก็รู้ว่านางสาวมาวดีนี่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็เอาไก่เป็นมาแปดตัวถวายพระเจ้าอุเชนบอกว่าให้รับสั่งให้นางสามาวดีและบริวารเนี่ยแกงก็ใช้คำว่าแกงกระออมแกงเป็นไงไม่ทนะราบคาไทยเรามาแปลมันจะถูกหรือเปล่ามันเร่อแกงกระออมอ่ะเออ พระเจ้าเทนก็เชื่อนะฮะก็ไม่ได้นึกอะไรมากก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาก็รับสั่งให้เอาไก่ทั้งแปดตัวเนี่ยไปให้นางสามาวดีบอกไม่ได้แกงไม่ได้ก็คืนมาคืนมานางสามาไอนางมาคันธยาก็แบบอบยุอยู่ตรงนั้นน่ะบอกว่าเนี่ยเนี่เนี่ยมอมฉันบอกแล้วว่านางสามาวดีมีใจออกหากจากพระองค์นี่ลองรับสั่งใหม่ดิบอกว่าแกงถาวายพระพุทธเจ้าลองดูสิแค่แกงอะ แคแกงแต่ว่ากับพระองค์แกไม่ยอมแกงให้เฉยๆพระเจ้าเทนก็หลงเชื่อก็รับสั่งบอกเอาถ้างั้นก็แกงถวายพระพุทธเจ้ามันก็นัดหมายกันแล้วเนี่ยคนที่นําไก่มาก็เอาไก่เป็นในแปดตัวนั้นเดินทําทีไปปราสาทนานสามมณฑีก็เลี้ยวไปเปลี่ยนไไก่ตายอีกแปดตัวเอาไปให้สามมณดีสามมณดีก็รับปากแล้วแกงให้พอไก่ตายแล้วคนนี้ก็ข้ามากราบทูลนาง มาคันธยาก็เอาใหญ่เลยยุใหญ่เลยพระเจ้าเทนนั้นทำเฉยเลยตอนนั้นโดยเรื่องเงียบพอมาตอนที่สามคือพระเจ้าอุเทนนี้เสด็จประทับที่ม่หสีปราสาทของมเหสีใหญ่สี่สามท่านน่ะคือนางวาสุรัตตานางมาคันธยาก็สา ม, มาวันทีก็ท่านละเจ็ดวันคราวหนึ่งก็ คือจากปราสาทนามาคันธยาจะไปปราสาทนางสาวมาวดีเพรา ะ, ะนั้นตอนอยู่ที่ปราสาทนามาคันธยาคืนสุดท้ายนะ่ะนามาคันธยาเอาไอ้งูงูเขานะฮะใส่เข้าไปในพินหัสดีกันที่เคยล่าเมื่อวันเมื่อวันก่อนนะหัสดีกันที่เรียกช้างได้พระเจ้าเทนี่ติดตัวตลอดเลยพินเนี่ยก็แล้วก็มีเอาผ้ามาอุดไว้ พอถึงวันที่เจ็ดในงูมันก็อยู่มันก็ขิวอ่ะอดข้าวอย่างนั้นนั้นพอถึงวันที่เจ็ดนางมาคันธยาทำเสรไปเสร็จมาว่ามาเยี่ยมเย็นพระองค์ดิฉันฝันร้ายว่าจะมีอันตรายแก่พระองค์ก็มาดูเป็นห่วงเป็นใดพเพล๋อเพื๋อพระเจ้าเทนเพล๋อเพื๋อแกบดึงไอจุกที่อุดไว้ได้ก็งูมันก็เลยออกมาก็ทําเสียงตกใจแล้วก็บอกพระเจ้าเทนพวกนี้นางสัมม า, าวันดีวางแผนจะฆ่าพระองค์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่าเอา ง, งูมาจะให้กัดพระองค์ยินดีที่ว่าหม่อมฉัน ฝันจะกอด น, นะถึงมาช่วยได้แล้วถูกว่าดได้เต็มที่อ่ะเก่งแล้วพวกเนี้ยในที่สุดเจ้าเทนะตั้งหลักไม่ได้เลยตอนเนี้ยปิ้วมากก็เรียกนางสามมาวดีกับบริวารมาให้ยืนเป็นแถวเลยจะยิงด้วยสอนนะยิงด้วยสอนให้ทะลุจากนางสาวมาวดีไปเลยนางสาวมาวดีตอนนี้ท่านเป็นพระสุดาบันหมดแล้วนะฮะันไม่มีปัญหาอะไรสำหรับท่าน ท่านก็บอกบริวารว่าพวกเรานั้นให้ทําเมตตาจิตต่อพระเทวีและพระราชาอย่าให้มีปัสสาวร้ายต่อท่านทั้งสองนั้นแล้วก็แผ่เมตตาก็ยืนแผ่เมตตาหมดพระเจ้าเทนกงธนูได้ใส่ธนูได้แต่ยิงไม่ได้ก็ยืนอย่างนั้นนะฮะยืนเกรงอย่างนั้นเองมันยิงไม่ออกด้วยอํานาจของเมตตาคน500ร้อนี่แผ่พุ่งเข้าไปพระเจ้าเทนพอเห็นท่าไม่ดีก็มันมันผิดแปลกไปมากท่านก็เกิดสำนึก แล้วก็ก้มลงขอเข้ามาโทษนางสามมาวดีต้องประยุงกันใหญ่แล้วก็บอกว่าท่านในหลงมามากโลกของท่านในมืดมืดเรอกันขอขอให้นางสามมาวดีเป็นที่พึ่งของท่านเถอะโลกมันมืดสำหรับท่านมากนางสามาวดีบอกว่าขอหม่อมฉันเป็นที่พึ่งพระองค์ก็แล้วกันแล้วขอให้พระองค์ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าเทีนก็ขอเข้ามาโทษแกบอกว่าม่อมฉนะันอะอภัยโทษให้ไม่ได้เราต้องถามพ่อโนก่อน ถ้าพ่ออภัยโทษให้ก็จะจะรับแกบอกว่าไม่เป็นไรมโโสมบูรณ์โศกเศรษฐีพูดกันง่ายมันก็ง่ายแกบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้แกเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องให้พระพุทธเจ้าอภัยโทษและแกก็จะให้พระเจ้าเทวีก็ต้องไปตกลงวันนี้มนต์พระพุทธเจ้าเข้าวังไงกร น, นีก็เป็นงานเผยแผ่าศาสนาของมหาอุบาจิกาวิธีหนึ่งนะก็ใช้วิธีเผยแผ่าศาสนาช่วยช่วยพระาศาสนา ที่เราจะเห็นว่างานเผยแผ่รักษาศาสนาเนี่ยในสมัยพุทธกาลโดยรูปแบบจริงๆนั้นไม่ได้ทํากันเฉพาะพระทุกคนรับผิดชอบร่วมกันทั้งอุบาสกอุบาสิกานางกุจุตระานางสามามาดีนะั้นต้งเผยแผ่ศาสนาเขาท่านตามกรรมมีทีเขาท่านนิบนพระพุทธเจ้ามาสวยในนิเวศแล้วก็นำพระเจ้าอุเทนเข้าฟ้าพระเจ้ า, ท า, าเาท็นก็กราบทูลขอเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็เป็นวิจีการเตนะ่นั้นเอง ตลงพระเจ้าอุเทนก็เกิดได้ฟังธรรมะแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีความม้อยบางใจตลอดและนางสาวมารดีทีนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าใจมันถึงกันแล้วนะฮะไปใจถึงใจกันแล้วพระเจ้าอุเทนเองก็ได้รับธรรมะนางสามารดีก็เป็นมโสดาบันไม่มีปัญหาอะไรนางมาคันธยาตอนนี้ก็ชักจะถูกเพ่งเลงนะฮะ พอแทนที่จะขจัดพระพุทธนางสามาขาจัดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ขจัดนางสามาวดีก็ไม่ได้แล้วไม่น้าพระเจ้าอุเทนกลับเป็นพวกนางสามาวดีไปอีกก็ชักจะไปใหญ่เลยกิเลสมันก็เกิดมากเลยก็ผ่านรีพ่านขวางในที่สุดก็นัดหมายกับอาตอนพระเจ้าอุทเทนเสด็จประพาสอุทยานก็นัดหมายกับอาถึงตอนนั้นเป็นบุรยหิตแล้วนะฮะมาคันธยาพรามที่เป็นอานี่ใหญ่โตแนะล้วโดยแรงผลักดันของหลานสาว ก็นี่แหละคือการเล่นพวกเล่นพร้อว่ามาตั้งแต่น้นเรื่องมนุษย์เงาอะไรข้างไหนก็บอกว่าให้มาคันยาพราหมณเตรียมคนมาให้มากเอาน้ํามันมาทาปราศาสตรนางสามาวดีแล้วก็พันผ้าบอกเพื่อรักษาเนื้อไม้เพื่อขจัดปลวกอะไรก็ว่าไปนางสามาวดีก็มาสอบถามท่านปุโรหิตก็บอกความอย่างนั้นก็ให้พวกนางในเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อจะไม่เหม็นกลิ่นน้ํามันน่ะ พอพันผ้าเรียบร้อยราดน้ำมันเรียบร้อยเผาเคลอกหมดตั้งปราสาทแรงหัโหดมากในเหตุการเหตุการณ์ปลายพุทธสมัยพระนางสามมาวดีพอเห็นต้องตายในกองไฟแน่แต่และองค์ก็ให้สัญญาณกันเข้าสมาธิจเจริญธรรมเลยบางองค์ไปถึงนาคานะานั่นนะบางองค์ไปถึงนาคาคบางองค์บางท่านก็บรรลุสักกาคาบางองค์บางท่านก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่เพราะ ง, งั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะปิดประตูอบาย เดียก็าบังอบายเบิกฟ้าได้เรียบร้อยแล้วเออพระเจ้าเทนพอทราบข่าวตกพระไทยมากรีบกลับมาโดยดว่วนแต่ก็แก้แก้ไขสถานการณ์อะไรไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเป็นฝีมือนางมาคันดียาแน่แต่เทบเจ้เอะโวยวายถามนี่คงไม่ได้เลยก็ใช้แผนใช้แผนใหม่ก็ใช้โวหารที่นิ่มนวลบอกว่าเออมันสบายเลยเกินก็ปรกกับอมาต ให้นางมาคันายาได้ยินมาแหมตอนนี้ฉันสบายมากเลยเมื่อก่อนในสามาวดีก็อยู่นี่นะั่ต้องคอยระมัดระวังเรื่อยกลัวกันจะทําร้ายกลัวกจะปล่อยงูให้กัดกลัวกจะจ้างคนมาฆ่ามันไม่สงบเวลา น, นี้สามาวดีตายไปได้เนี่ยฉันจะนั่งที่ไหนจะอยู่ที่ไหนสบายได้กันไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยอะไรอามาที่คอยคื อ, ค, อ, ค, อคือเล่นละคกรกันก็ข่าวกระซิบะ ส, สมโรงบอกว่านี่ ไอ้คนที่ทําในเขาจะแดงว่าต้องต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่หวังดีต่อพระองค์โอ้ใช่พระเจ้าเทียนก็รับเล่นละครก็บอกว่าใช่คนนั้นต้องหวังดีต่อฉันมากแต่จะเป็นใครก็ไม่รู้มาขันทยาก็ได้ทางหมอบเข้ามาเลยเจ้าก็จะไม่มีคนอื่นที่ไหนแล้วก็หมอบฉันนี่เองนะที่จงรักกดีต่อพระองค์หมอมฉันรับสั่งขอให้อามาช่วยทําให้กับญาติพี่น้องพระเจ้าเทนบอกเออฉันก็นึกเหมือนกันนะ มันนอกจากเธอแล้วก็ไม่มีใครแลที่ทําดีกับฉันอย่างเงี้ยเพราะ ง, งั้นก็ฉันจะให้รางวัลเธอนะไปบอกอาบอกญาติพี่น้องทุกคนเลยนะจะให้รางวัลที่ฉันได้รับความสุขใจเพราะเธอต้องให้รางวัลทั่วทั้งญาติพี่น้องนามาคันธยาก็ดีใจสั่งมาที่บ้านให้อาบอกอาก็ประกาศให้ญาติพี่น้องรู้ไอ้คนไม่ใช่ญาติอยากได้หน้าด้วยเกิดเลยก็สมัครมาเป็นญาติกันญาติเลยเป็นตับไปทีเนี้ย นี่มก็คือเนี่ยคนเราพอพารู้ข่าวจะได้หน้าแล้วก็ขอร่วมบงงภัยบูุญด้วยแล้วกันแต่พอจะเสียแล้วก็ไม่ร่วมมันก็ใกล้ใกล้ ใ, ใ, ใจอะไรจราชนพพาชัยในข่าวว่ากันว่าขอความดีความชอบทั้ง200ร้อยลิตริตรท่านผู้ทางานปฏิบัติงานในปราบจราชนแ้วนะมีแท็กซี่กับการจราจนคนเดียวเองปราบกันทั้ง200นี่ก็คือเรื่องของคนที่เวลาจะต้องการผลประโยชน์ คือต้องการรับชอบมันก็แสดงออกได้เยอะแยะเลยเพวกนี้ไอ้คนที่ไม่รู้อิโนโออินเน๋กับเขานะฮะแต่รู้ข่าวจะได้รางวัลก็ขอสมทบเข้ามาด้วยก็ได้เป็นขบวนใหญ่เลยยกขบวนกันมาพอมาถึงพระเจ้าเทนก็ให้สัญญาณจับหมดเลยจับก็หารุโหดไม่ใช่เล่นนะคือรุนแรงมากก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวในาศาสนาพุทธที่มีการลงโทษตรงเนี้ยรุนแรงที่สุด ก็สมควรแก่กรรมถ้าเรามองอีกทีเพราะเป็นการประทุษร้ายพระอริยบุคคลนะฮะตามสูตรแล้วมันจะได้รับผลในชาตินั้นเจ้าเทนรับสั่งให้ขุดเป็นหลุมลึกแค่สเสอส่งคนญาติพี่น้องนางมาังคัญยาทั้งหมดลงหลุมหน่อยหลุมแล้วกรบกลบด้วยดินก่อนเพื่อไม่ให้ดินได้เสร็จแล้วก็สุมด้วยวางฟา ม, มาสุมข้างบนแล้วก็จุดเผาจุดเผาเพอเผาพอไฟมอดเสร็จแล้วก็ไถเลยทีนี้ อบทำปุ๋ยซะ เ, เลยทำปุ๋ยเรียบร้อยซะเลยเพราะฉะนั้นสูตรเอาคนทำปุ๋ยนั่นก็มีมาตั้งแต่ น, นั้นก็นาง ม, มาคันธยา น, นั้นได้รับเกียรติพิเศษในฐานะเป็นมาเศสีโดยให้เอาไอ้จำแหล่เนื้อใน ท, ที่ที่เป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นชิ้นตัดชิ้นได้นะฮะแล้วทอดระบังค้าวให้กินจนตายทารุณมากเลยแล้วก็สมควรแก่กรรมเมื่อเรื่องราวทั้งสองเรื่องนี้เกิดขึ้น เกิดขึ้นก็ามาตรงกับหลักที่เล่าให้ฟังวันก่อนนะฮะที่ว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมเข้าถึงฐานะสิบคือหนึ่งเ เ, เ อ, อ่ประสบเบทนาที่รุนแรงการแตกของสรีระการอาพาธนะถูกไฟถูกสัตราถูกอาวุธเป็นต้นเนทันี้หลายอันเนี่ยทำร้าย แล้วก็เกิดอุปสรรคในชีวิตเกิดการพลัดพลากจากญาติพลัดพลากจากสมบัติเออความพินาศแห่งญาติความพินาศแห่แงสมบัติแล้วก็ตกนรกพวกนี้เป็นความรุนแรงที่เห็นกันได้จระจะในชาตินั้นนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดมาทั้งสองช่วงนะช่วงของโคสกุกช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงของบิดาเอเีบิดาโคสกอีช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้อีกช่วงหนึ่ง เป็นการพิสูจน์ถึงคนผู้ไม่ผู้ประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบนะย่อมประสบอย่างได้ย่างหนึ่งนามาคันธยานี่เอาทั้งสองอย่าง3มอย่าง4อย่างสิหลายอย่างถือด้วยสิคือคือค อ, อะไเวทนานิยบร้ายการเสื่อมของโภพกสมบัติการเสื่อมญาตนะแล้วก็การแตกของส ร, รีระตกนรก5อย่างนามาคันธิาได้ทีเดียว ได้ทีเดียวห้าอย่างเลยเพราะอะไรเพราะไปประทุศร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุศร้ายพอเสร็จเรื่องนี้ภิกษุก็นำเรื่องไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงคือถือว่าโศกนาฏการรมที่แรงนะฮะคราวแรกก็หมดพรรยาบุคคลไปตั้งห้าร้อคราวที่สองก็คงหลายหลายพันแล้วมนะั้งเป็นเหตุการณ์ที่ห่างกันไม่เท่าไรเลยตอนปลายพุทธสมัย พิสูจ ก, ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่านางสามาวดีกับบริวารเนี่ยไม่น่าจะตายอยางั้นวพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าคื อ, คอเอาบุคคลทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าไปถามพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงภาษิต ท, ท, ที่รู้กันแพร่หลายเนี่ยอปมาโดอมตั ง, าตางปดังปมาโดมาจูโนปดังอันนี้แพร่หลายมากความประมาทเป็นทางไม่ตายความผู้ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทแล้วถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วแต่คนที่ไม่ประมาทนั้นแม้จะตายแล้วก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่บัณฑิตรู้ความแตกต่างระหว่างเส้นทางทั้งสองนี้ก็จงยินดีในธรรมคือความไม่ประมาทแล้วก็ปฏิบัติตนจนสามารถบรรลุผลสูงสุดในทางศาสนาได้ตรงนี้พิกสุเกิดไม่สงสัยแล้วก็ถือว่านางสาวมาดีจะตายหรือไม่ตายท่านก็ไม่ตายหรอก นางมาคันตยานั้นที่จริงตายมาตั้งแต่ก่อนตายแล้วก็ได้สองสางนางมาคันธยานั้นตายมาจากความดีตั้งแต่ก่อนตายนางสาวมาวดีนั้นตัวตายแต่วความดีไม่ตายที่เราเรียกที่หลังเราเรียกเป็นราชินีอมตะนะท่านผู้นี้ราชินีอมตะคือราชินีผู้ไม่ตายก็ภิกษุก็เกิดสงสัยในประเด็นอื่น ว่าคนที่ดีงามทั้งสองท่านเนี่ยอย่างนางขุณชุตตราก็ดีรละนางสมมาวดีนั้นเป็นคนที่ดีงามมากทําไมตายมันดีกว่านี้ไม่ได้เลยม่นจะต้องตายถูกเผาไฟอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าเป็นการสงควรแก่กรรมในของแต่ละคนมันก็เป็นไปตามกรรมคือกรรมที่ติดตามคนเรามานั้นก็มีทั้งดีและไม่ดีในขณะที่เราทําความดีอยู่ถ้าเกิด ไอความชั่วมันมาเป็นอุปเฉตตกกรรมคือข้าวตัดมันก็ลนจะทําเนียบเข้าคุกได้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติวิสัยแต่ประการใดแล้วก็รับสั่งเล่าถึงเหตุปัจจัยคือเขาเน้นที่นางกุจุตระานะพระนางกุจุตระานี่พระคุณมากคือท่านก็ไปวัดฟังธรรมเป็นตัวสื่อระหว่างวัดกับวังอยู่เรื่อยเลยพระท่านคุณมากแล้วก็นิยมในความไอเฉียบแหลมคมขายของท่านนะ ก็สนใจที่นางขุชุตรานี่มากเพราะนางกุชุตรานี่ทำไมทำไมจึงต้องหลังค่อมทำไมจึงถูกตายในไฟทำไมจึงมีสติปัญญาดีทำไมจึงต้องเป็นคนใช้อของคนอื่นอันนี้ก็ส่งแสดงว่าเป็นการจำแนกของกรรมตึ่นดูเหมือนเคยเล่ามาครั้งหนึ่งนะไม่ทราบเรื่องอะไรดูจะเรื่องม้ากำมีังกระสุนะ่ะนานมานะว่าการที่ นางต้องเป็นคนใช้ของคนอื่นก็เป็นการสมควรแก่กรรมคือในชาติหนึ่งนางเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีแล้วไปใช้ภิกษุณีให้หยิบกระช้าหลอดได้ให้ดูเรื่องไม่ค่อยแรงนะครแต่ก็ไปใช้พระอระหันต์ใช้พระอระหันต์ให้หยิบกระช้าหลอดได้ให้โบราณในเขากลัวมากเลยเรื่องการใช้พระในปัจจุบันในคนเขาไม่ค่อยสนใจทอะไรใช้พระเลยบางทีพระก็เสนอหน้าไปรับใช้ก็เองก็พอสม เรกขนมผสมน้ำยางนั่นก็พอๆกันเอ่อท่านภิกษุณีที่เป็นพระอรหาน์นั้นท่านก็มองเห็นว่าที่จริงนะท่านมีอนาคตตังสยามท่านมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ท่านก็คิดว่าถ้าไม่หยิบนะี่ไอ้ลูกที่เขาเลี้ยงมายัยงตามใจนะ่ะแกจะต้องด่าเรี้ยวกราดเหมือนด่าคนใช้เลยทีเนี้ยจบไปตกนรกแน่ แต่ได้หยิบให้มันก็อย่างดีก็แค่เป็นคนชายนมั น, ม, น, ม, นมันถึงทางต้องเลือกมันก็เลวด้วยกันนะฮะแต่ก็เลือกว่าเลวน้อยกว่าไว้เอาแต่แค่เป็นคนชายเขาย้ายถึงตกนรกเลยท่านหยิบให้โดยจิตคิดอนุเคราะห์เพราะไม่มีทางให้เลือกเลยมีทางให้เลือกในที่สุดนางก็รับผลกรรมนั้นคือต้องเกิดเป็นคนใช้เขาแม้แต่แการเล่นแรงๆทั้งนั้นนะฮะนางเอประวัติในอดีตของนางสา ม, มาวดีเนี่ยตัวเอีเอนางกุชจุราเนี่ยที่หลังค่อม คือเป็นหญิงสาวแต่หลังค่อมนั้นก็คือในชาติหนึ่งท่านเคยล้อเลียนพระปัจเจกับพุทธเจ้าซึ่งหลังค่อมแล้วขันขันข้าวมาอุ้มแล้วทำเอาผ้าขมมาขมข้าวแล้วเดินทําพระบินทบาตทําหลังค่อมค่อมคอม่คมแล้วก็ล้อเลียนล้อเลียนพระปัจเจกับพุทธเจ้านี่ก็เป็นเหตุให้ท่านหลังค่อมเกิดมาหลังค่อมอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ท่านมีปัญญามากมีปัญญามากคือจํา ฟังกันเทศจํามาเหมือนกับเทพมาเลยมาเทศเทศต่อได้นี่ก็เพราะว่าในชาติที่ล้อเรียนพระพเจ้าพุทธเจ้านั่เนเองอคราวหนึ่งพระพระราชาได้ถวายข้าวต้ ม, มข้าวยาคูแก่พระพเจับพุทธเจ้าซึ่งใส่บาตรแต่มันร้อนนะพระพเจ้าพุทธเจ้าก็ร้อนเป็นเหมือนกันนะก็เลยนางก็ถวายว่าอ ไ, ไรแปดว่าไลว่าอะไรก็คล้ายๆกับอะไรเนี่ยไอ้โซเอียนคล้ายๆโเวียน วงกลมๆเป็นกลมๆอ่ะสึกจะเป็นที่โยนเล่นอะไรกันเนี่ยถวายให้พระบจเจกพระเจ้ารองบาทรองถือบาทแล้วก็ฟังเวลาพระบาเจกพระเจ้าแสดงธรรมะแก่พระราชาที่ตนเป็นไอ้ไรฐาสีอยู่สนมอ่ะก็เปนนมก็นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยให้นางมีปัญญาไอ้ถูกครองในไฟมันก็อีกเหตุปัจจัยหนึ่งคือในชาตินัน้นเหมือนกัน อาชนั้นทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยมาเจอกันพอดีเลยนางอาบน้ํากับพวกบริวารทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเขาเนี่ยพวกนี้มีกรรมเสมอกันนะครับมันเกิดร่วมกันกรรมเสมอกันที่เคยบอกว่าคนที่มาเกิดร่วมกันเนี่ยเช่นใช้คํำมาปัจจัย4ี่อย่างศรัทธาสมาศีแลสมาจารสมาปัญญาสมาคือศรัทธาเสมอกันหรือใกล้เคียงกันศีลเสมอการหรือใกล้เคียงกันนะฮะความเสียสละเสมอกันหรือใกล้เคียงกันปัญญาเสมอกันหรือใกล้เคียงกัน มันจะทําให้เกิดกันถึงแม้จะเกิดมาอยู่คนละทิศละทางแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยกรรมมันจะจัดให้คนเหล่านั้นมาพบกันซึ่งถ้าเราลองดูง่ายๆนะลองดูแม้แต่เหตุการณ์บางอย่างเช่นเครื่องบินตกรถยนต์คว่ำอะไรเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเบื้องหลังให้ดีแล้วมันกรรมมันจัดกั็มันเสร็จคนที่ควรจะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นคนที่ขึ้นนั่งไปแล้วมีธุระจะต้องลงก็ลงคนที่มีตําแหนง่งจะต้องติดตามเอาหาที่นั่งไม่ได้ก็ไม่ได้ขึ้น จัดเสร็จเครื่องบินขึ้นระเบิดเปรี้ยงตายเรียบนี่ก็เรียกว่าในทางลบนะฮะมันก็จัดขึ้มันเสร็จเลยเพราะฉะนั้นในกรรมเนี่ยมันก็จัดขึ้มันเป็นการดึงคนมาจากส่วนต่างๆนะบางทีคนไทยกู้ครองไปเกิดอยู่นู่นที่อเมริกาที่อะไรตัวไรนะ่ะโลกมันหมุนไปหมุนมาเนี่ยมาเจอคุณชอบพอกันไปนอนนะมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องไงความลี้ลับวิเศษจันทร์อย่างของชีวิต แต่ถ้ามองในแง่ศาสนาแล้วก็เป็นกฎของกรรมเหมือนกับเรื่องของโคศกเศรษฐีกับทิดาเศรษฐีชาวชนบทที่เล่ากันก่อนเพราะนานางนางขุชุตรากับนางสามาวดีและบริวานนั้นก็เป็นการตามไล่ของกรรมในอดีตพอดีก็มาบรรจบให้ผลแก่ท่านแต่ในขณะเดียวกันบา ร, รมีธรรมซึ่งเราถือว่า แต่ละท่านนั้นได้สร้างสมมาเป็นพิเศษได้เกินนางสามาวดีอยู่ในลักษณะที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แม้รจะตกต่ําจากลูกเศรษฐีมาเป็นขอทานแล้วก็เปลี่ยนจากลูกขอทานมาเป็นลูกนายเสมียนก็เรียกนายเสมียนจากลูกนายเสมียนมาเป็นลูกคนเศรษฐีจากลูกเศรษฐีกลับมาเป็นที่ดาของเอ่มเหสีพราาะพราชาจากมาเหศีพระราชามาเป็นอริยะสาสาวิกาของพระพุทธเจ้า นีก็ขึ้นขึ้นก็เรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะในด้านบา ร, รมีธรรมท่านสูงก็หนุนส่งท่านมาเรื่อยถึงคราวตกไอ้กรรมมันก็แทรกไปแทรกมาแต่ว่าสรุปว่ากุศลกรรมก็ส่งมาถึงจุดสุดยอดเพราะว่าการเป็นพระโสดาบันนั้นในแง่ของศาสนาฮนะะถือว่าดีกว่าได้สมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิสมบัติเราได้มากมายยังไงมันก็กิกนทั้อิ่มก็อยู่ท่านั้นเอง แต่ว่าโสดาบันนั้นเป็นการกำหนดขจิตแน่นอนท่านที่บรรลุโสดาบันแล้วก็อย่างช้าก็ไม่เกินเจชาติก็หวังได้ถึงนิพพานบางทีก็สองชาติบางทีก็ชาติเดียวแล้วทงไปนี่ก็เป็นเป็นสมบัติอมะตะจริงๆที่นางสาวมารดีได้แล้วท่านก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะงั้นจึงกลายเป็นผู้ชีไม่ตายแต่นางมาคันธยา น, นันก็มองมองอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งซึ่ง ถ้ามองด้วยความสงสารก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะเพราะความเมาในรูปเพราะถูกไอ้ความเมาเนี่ยจนทําให้ท่านมองไม่เห็นเหตุเห็นผลเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเป็นการแสดงถึงความจรงิงการแสดงถึงความจรงิงแต่ท่านท น, ทนฟังไม่ได้มันสแสลงหูสแสลงใจท่านก็กลายเป็นความพยาบาท ไอจุดต่างที่ท่านเห็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของบารมีเนมะื่อบารมีของพ่อกับแม่นั้นเป็นบารมีที่สูงแม่ยิ่งสูงใหญ่เลยคือแม่ขนาดดูรอยเท้ายัางรู้เลยแต่ว่านางมาคันธยาทั้งๆที่ว่าเป็นลูกในสกุลที่พ่อแม่มีบารมีทำแต่ทั้งก็กลับถูกไอรูปงามความงามของรูปมาครอบงำ พระไร้ระยการที่ถูกได้ยินพ่อ ย, ยอย อ, อยบอยรูปสวยๆๆอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นมาข อ, อไม่เหมาะสมคนนี้มาขอไม่เหมาะสมไอ้นี่ก็หลงตัวเอ้ฉันนี่มีค่าจังแล้วพอเพื่อนมันมันหลน่นมันหล่นวูบลงมาเลยนะฮะพระพุทธเจ้าเปรียบโดยภาะจนะใส่ของไม่สะอาดที่มันหล่นมาจากเป็นเป็นดาวจะรัดฟ้าในดาวร่วงอ่ะมันเพราะงาั้นไอ้แก่แกก็ตั้งหลักไม่ได้ไดแครนเคลืองมากไอ้จากจุดนี้ก็กลายเป็นลามปาล์มของอารมณ์ ท่านจะเห็นว่าเป็นความลามปามของอารมณ์ทั้งหมดเลยถ้าแกหยุดจตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่แกไม่ยอมหยุดได้แกะจะหยุดได้ตั้งหลายครั้งหลายหนแกไม่เคยหยุดเลยเพราะอะไรเพราะแรงผลักดันการใสส่งของบาปอากุศลที่มันหมักหมมไว้มากามอามวลมากว่าผลักดันไปเรื่อยเหมือนกับอะไรนะคือคือพวกคลอ้ า, ายไข้รูมไอ้พวกคนมีโรคก็เกิดโรคอย่างนั้นแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ตามโรคเนื่องปเดี๋ยก็ได้เรื่อง เช่นเดียวกันนางสามาวดีก็ผลักดันไปในสายกุศลตลอดซึ่งท่านต่างหลายเห็นว่าหมุนมาจากพัทววดีนครมันหมุนมาได้ไงมาเจอพระพุทธเจ้าจะไหนนี่คือแรงผลักดันของกุศลแต่นา ม, มาคันธยามันก็ผลักดันมาจากแคว้นอังคนะนั่นที่จึงมาเหตุมาเกิดที่โกสัมพีนะคนเรแคว้นกันเลยกลอลิปด้วยมาคนละแคว้นกันนทั้งสองคนถูกแรงผลักดันของของบา ร, รมีธรรมกับของอาสวะ พอผลักดันกันไปผักดังกันมาก็แยกทางกันเดินเด็ดขาดเลยนางมาคันธยาก็แยกทางไปฝ่ายประมาทประมาทแกมาตลอดเลยพลังพลาดมาตลอดพระพุทธเจ้าเสด็จตัวเองตอนนั้นก็ดีแล้วไม่น่าจะไปปลุกอาฆาตพยาบาทไว้อย่างไงมันน่าจะหยุดเอาไปจ้างคนด่ากันี่ก็ด่าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่โต้ตอบอะไรมันน่าจะสะใจพอแล้วมันด่าตั้งเจ็ดวันนะพระพุทธเจ้าว่าสีประโยค์นั่นเองอ่ะ เป็นการเทศเลยซ้ำไปพูดปาดาปิมังสัมปูซีตุงในอิเชนะีฮะบรรทัดเดียวเท่านั้นเองอะเราไม่สามารถถูกต้องได้แม้ด้วยเท้าบรรทัดเดียวนั้นเองอ่ะแกด่ดาตั้งเจ็ดวันมันน่าจะคุ้มนะมันยังไม่คุ้มทักทีหนึ่งก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ลามปลามางๆอย่างนี้ซึ่งเราจะพบว่ามันก็ออกมาเป็นโทสะที่บนริสยาเป็นริสยาแล้วก็มีโทสะก็หมุนวนกันระหว่างกิเลสสองนัน เป็นการดึงเอาญาติวงผงสาเข้ามาร่วมวงภัยบูนดึงใครต่อใครเข้ามาสร้างความเดือดร้อนนี้มันก็เริ่มที่ใจทึ่งตั้งไว้ผิดของนางสามาวดีท่านตั้งไว้ถูกมาตลอดแต่นางมาคันตยานั้นท่านตั้งไว้ผิดเมื่อก่อนท่านก็คงจะดีหอกแต่ท่านก็ตั้งไว้ผิดทีนี้ประเด็นตรงนี้นะฮะท่านทั้งหลายก็ว่าที่จริงโบราณเองก็กสงสยัย สงสัย่าทำไมรพระพเจ้าต้องรับสั่งอย่างนั้นพุทธเจ้าไม่รู้หรือว่ารับสั่งแล้วนางมาคันตยาจะโกรธเขาบอกว่ารู้และแต่จําเป็นจะต้องรับสั่งอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ก็หลงลูกสาวสวยงามไม่เทเล่นเหมือนกันนะไม่ยอมให้ใครนะทีนี้ถ้าไม่พูดแต่มันชัดลงไปขนาดนั้นเนี่ยท่านก็คงจะยกกิตขึ้นไม่ได้เหมือนกันจึงจําเป็นที่จะต้องช่วยคนนี้สองคนนี้ ส่วนนางมาคันธยาจะทําอะไรแก่พระองค์นั้นก็เป็นเรื่องของนางมาคันธยาแต่การเทศจะไม่คํานึงถึงถึงเรื่องอย่างอื่นคํานึงถึงคนที่จะได้รับประโยชน์ไปคํานึงถึงข้อปริกย่อยอะไรเรื่อยๆไม่ได้เพราะมันมั น, ม, นมันเวลาเวลาถึงทางแยกเนี่ยมันจะมีทางแยกเข้ามันอยู่เสมอวิธีทางของบัณฑิตก็คือเลือกเอาทางที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์มากกว่าก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าเอ่อเอาพระราหุลบวชเนี่ย เวลาหุนบชนี่ที่จริงนานงพิมพานั้นท่านขอราชสมบัตินะส่รงราหุนมาให้ขอราชสมบัติพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็มีราชสมบัติดูสองราชสมบัติคืออริยะอริยทรัพย์กับโลกียทรัพจะให้อะไรเมื่อให้อย่างหนึ่งมันก็เสียอย่างหนึ่งตกลงก็ต้องเอาอริยทรัพย์ไว้ซึ่งก็หมายความว่าพระราหุนก็ไม่ได้โลกียทรัพ ไม่ได้โลกียราบมันฆ่าไปตัดสกุลราชสกุลก็เสื่อมสายนี้สายพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่มีสูบผู้สืบสกุลตั้งแต่วันนั้นหนึแต่ทางแห่งที่ทรงมอบหมายให้เป็นทางที่ดีกว่าก็เอาทางนี้ฐานนั้นก็ต้องสละหรือแม้แต่สละตําแหน่งพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ก, ก็เหมือนกันที่จริงพระเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีแต่เทียบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าดีกว่าก็เลือกเอาทางนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะคือถ้าจะ ไม่เลือกเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยจึงต้องเลือกเอาให้สองท่านนี้เป็นพระอนาคามีนามาคันตยาท่านก็ทํากับท่านเองนะฮะท่านที่จึงควรจะหยุดเทบ้างท่านไม่ยอมหยุดไปได้แล้วให้สังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าพวกกิเลสเหล่านี้ไม่นะว่ากิเลสอะไรก็ตามเพราะแกเกิดแล้วมันมันหน้ามืดอนะ คือไม่ได้มองอะไรเหตุผลอะไรเพื่อนเขาเล่นเหลี่ยมคูอะไรแต่อะไรพ ร, ระเจ้าเทนที่วางแผนจะจับเนี่ยที่จริงท่านน่าจะรู้สึกตัวอะไรมาท่านหลงไปแล้วท่านหลงไปแล้วก็ว ก, <ๆ>ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยจนหลงเข้านามญาติวงพงสาเข้ามาเป็นพวกด้วยเป็นนั้นมากนี่มันก็แสดงอะไรได้หลายตอนนะฮะตอนแรกก็คือเรื่องก็ยาวมาข้างบน น, ะนั้นเรื่องมสภาพจิต ที่มันเปลี่ยนปลายไปเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์บางทีเรื่องที่เราตั้งใจไว้อีกอย่างหนึ่งแต่ไปเจอสถานการณ์อีกอย่างหนึ่งถ้าว่าหลักเราไม่มั่นคงจริงเราก็หักอย่างอะไรอย่างท่านอันลกปะดาวดุตอนต้นวันแรกนะฮะเทนว่าตั้งจ ร, ริงๆสละทรัพสมบัติสละไม้ ส, มสีสละโอรสธิดาสละสนมบริบาลมาเยอะใหญ่หเลยท่านสละได้ พอมาอยู here, we there, there time, ่แล้วเกิดว่าเวเกิดเดียวได้ขึ้นมาเจอกับพระมเหสีของพระเจ้าบรันตปะองค์เดียวแท้ๆเลไอ้สละเป็นตั้งเองค์สิบองค์ท่านสละได้พอเจอองเดียวท่านสละไม่ได้ท่านก็กลายเป็นรูสีมีเมียไปเลยจบเรื่องนี่คือลีลาอารมณ์ขบวนเส้นทางของชีวิตนั้นเราจะเจออะไรเยอะเหลือเกินบางทีมันก็หักออกแหว่ทั้งทางอยู่เรื่อยๆอย่างที่เคยยกอุปมาว่าคนเรานั้นเหมือนกับเดินทางวิ่งทางไกลมาราทอนมันแข่งกัน ไอคนที่ถึงถึงจุดหมายจริงๆมีอยู่จํานวนน้อยส่วนมากมันก็ต้องแวะๆข้างทางไปเรื่อยท่านอันลลกปะกับเวตาทีประกะศสององค์ตอนตน้นก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านอันลลกปบะก็ะแวะข้างทางไปได้นี่ก็คือเรื่องอารมณ์ที่เราเจ้าสงสอนแม่ประมาทไงเพราะว่านิดเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวเท่านั้นเรื่องของอารมณ์ผู้เดียวของอารมณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรหมดพริกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลย คิกจากคนดีที่สังคมยอมรับรับถือให้กลายเป็นคนที่ถูกสังคมเหยียบก็ได้เหยียบย่ำดูถูกดูหมิ่นก็ได้แล้วมาไอจุดของโคสกะเศรษฐีหรือจุดของเอโกตุฮันลิกเราจะเห็นถึงลีลาของกรรมแล้วก็ผลของอาศนกรรักรรมไอกรรมไม่จวนจะตายไก่กรรมที่บุคคลกระทาใครกระทาก็ตามโกตัวลิกทําต้องรับผลทอดทิ้งเจดครั้ง แต่ไม่ได้มีเจตนาแรงแล้วก็ไม่ต้องการจะให้ลูกตายเพราะฉะนั้นตัวเองก็ไม่ตายมันเป็นไปตามควรแก่เหตุนะตามควรแก่เหตุคือเราประกอบเหตุไม่เท่าไหร่ผลมันก็เป็นเท่านั้นเป็นท่าที่มันเป็นตัวเองทิ้งลูกตัวเองพอตัวเองเกิดมาก็ถูกทอดทิ้งไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ติดตามคนไปแต่ในขณะที่ทิ้งลูกมันก็มีกุศลกรรมที่มีความเยื่อใย พักดีต่อพระประ <LE> เจกับพะพุทธเจ้าอีกชาติหนึ่งแต่ลงไอ้ผลกรรมสองชาติก็มาต่อสู้กันฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลฝ่ายหนึ่งหักข้าบาฝ่ายหนึ่งเข้าคุ้มครองกุศลเอาไปทิ้งกุศลรักวไอ้พวกบาปทิ้งลูกต้องถูกทอดทิ้งแต่กุศลกรรมที่พักดีต่อพระปเจกัพะพุทธเจ้ารับใชพระพุทธเจ้าเข้าคุ้มครองรักษาเลยเอาแพะบ้างเอาหมาบ้างเอาอะไรตัวไรบ้างเอาไอ้ต้นย่านกระพังโหมบ้างมาคุ้มครองรักษาไว้ตลอดสายไหน นี่คือการต่อสู้ของกับทีนี้ถ้าปริมาณแกยังหักกันอยู่อย่างนี้นะฮะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มากเกินไปมันก็ประคับประคองกันไปได้แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งคุ้มไม่อยู bits, ่มันคล้ายๆกับว่าของที่ตกลงไปในที่ใดที่หนึ่งนะครเช่นว่าตกลงไปในผ้าที่เราถึงไว้ถ้าไม่หนักเกินไปมันก็ผ้ามันก็รักษาไปได้คือไม่หล่นถึงพื้นแต่ถ้ามันหนักเกินไปก็รักษาไว้ไม่ได้ ผลกรรมของคนที่ทําเอาไว้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าฝ่ายหนึ่งแกหนักเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งรักษ า, าไว้ไม่อยู่โดยเฉพาะคืออกุศลกรรมที่หนักในอกุศลกรรมจะคุ้มครองบุคคลนั้นไว้ไม่อยู่แต่ถ้ามีก็คุ้มครองไม่ได้นี่คือกรรมในแง่ที่เรียกว่าบันดาลกันเลยนะฮะผลกรรมบันดาลกันเลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นปัจจุบันกรรมทั้งหมดเป็นเรื่องอดีตกรรมแต่มันเป็นการต่อสู้ ผลกรรมอย่างที่เคยพูดว่าในด้านวัตถุนะในด้านวัตถุในแง่วัตถุในแง่สังคมในแง่ผลทางกิตใ จ, จในแง่ของบรรดาตอนนี้ในแง่ของบรรดาเนะี่ยออกมาในรูปที่เราเห็นได้เป็นช่วงๆปนช่วงช่วงตลอดสายของท่านโคสกะเสรษชีที่นี่เรื่องของการใช้ปัญญาซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยอย่างพระนางสามาบดีเนี่ยท่านเป็นหญิงที่มีปัญญามาตลอด ท่านแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ตลอดเลยในภาวะวิกฤตที่หมดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหลือพ่อแม่ลูกแกก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตัวเองยังเหลือคนเดียวก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้พอมาอยู่ในบ้านของพ่อบุญธรรมท่านก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ปโคกศกเศรษฐีกับแม่ถูกจับท่านก็แก้ปัญหาได้แล้วท่านแก้ได้ตลอดฮะให้ลองสังเกตว่าท่านแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ตลอด แต่พอถึงคราวหนึ่งชี่แรงบันดาลกองกรรมถูกจับให้อยู่ในปราสาทใครแก้ไม่ได้เรื่องกองกรรมแก้ไม่ได้เมื่อคราวความตายจะมาถึงแต่ท่านแก้ไม่ได้ในขณะเดียวกันท่านก็ไปแก้ที่จิตของท่านไปแก้ที่จิตของท่านก็ปรับจิตนั่งสมาธิบรรลุมรรคผลไปคือร่างกายในไม่ตายบัน้ำก็ตายพรุงร่งนี้ก็ตายมาหรือ น, นี้ก็ตายก็ตายใน ว, วันนี้แต่ไม่ตายดีๆก็แล้ว นี่คือเรื่องของท่านที่มีปัญญานกกั่นก็ชี้ให้เห็นเป็นในทัศนะอุตาหนที่จริงหลักธรรมะมันก็อยู่ในลีลาอยู่ในถ้อยคําอยู่ในพฤติกรรมอยู่ในภาษิตต่างๆอยู่มากแล้วเพรดังนั้นแนวเหล่านี้เราจึงเรียกว่าพระธรรมบทที่มาเคยบอกว่าเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลสูงสุดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในยุโรปอเมริกาปัจจุบันหนังสือที่ดึงชาวต่างประเทศที่นับถือศาสอนาใดมาก่อนก็ตามที่ให้มานับถือพุทธ คือหนังสือชุดนี้แต่ไม่ใช่เอาเรื่องละเอียดนี้ไปเล่านะคเรื่องนี้ยาวจะมีเฉพาะภาษิต ท, ที่ที่ยกขึ้นไว้ในตอนต้นอะประมาโดมาตังประดังประมาโดมาจุโนปะดังสั้นๆอย่างเงี้ยเป็นคําที่กระชับรัดกลุ่มแล้วพวกพระหลังในเผยแพ ร, พร่ที่อามาที่กติรู้สึกจะมีสักสี่ห้าเล่มอะคาถาพระธรรมบทเนี่ยที่ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นสันสกฤตแปลเป็นอะไรตัวไหน นี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เราเรียกว่าพระธรรมบรก็สองเรื่องก็ว่าเข้าไปตั้งสีสวันาวันนี้ก็เรื่องนางสามาวดีก็จบนะครับ